ร้ายคุณธรรมนะแล้วผู้ที่ฆ่าตัวตายสร้างภาระให้กับสังคมเนี่ยคือผู้ที่พิการทางจิตทั้งนะควบคุมกิเลสทางจิตไม่ได้ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนอันนี้ต้องช่วยเหลือก่อนอันนี้ถือว่าเป็นแง่คิดนะเพราะนั้นที่เขาบอกว่าคนพิการเนี่ยมักจะเป็นภาระกับสังคมเขได้ยินไหได้ยินบ่อยมากเลยก็ถูกแล้ว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 ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักสากลไม่ใช่ศาสนาพุทธอย่างเดียวคือการดําเนินชีวิตด้วยการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอเสมอในการทําอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามคิดนึกอะไรก็ตามให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอเสมอการทําการงานต่างๆการดําเนินชีวิตเนี่ยถ้าสายการฝึกสติอยู่เนืองเนือแล้วก็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 สร้างกุศลกรรมคือมาประพฤติธรรมมาเจริญสตินี่แหละ <Yeah. S 1> ไม่ช้าไม่นานเราก็จะพ้นจากกรรมไปในที่สุดถ้ากับว่าความพิการหรือความทุกข์ของร่างกายจิตใจเนี่ยมาทำให้เราฉลาด mm hmm. ทุกทางกายมาให้ทำให้ใจฉลาดคือเสียกายแต่ได้ใจอันนี้ไม่เสียหายนะ mm hmm. เมื่อกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ด้วยเนี่ย mm hmm. เสียหายขาดทุน แต่ถ้ากลายเป็นทุกฝึกจิตฝึกใจให้ไม่ทุกเนี่ยมันเสียได้ได้กําไร <c oughs> เพราะนั้นผู้พิการถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมชีวิตจะมีความสุขพ้นทุกข์ทั้งปวงสมดังที่พุทธภาษิตเล่า ก, กล่าวไว้ว่าธรรมะจาริงสุขขังเสติผู้ที่ประพฤติ ธ, ธรรม